สังคาทิเศษสิกขาบทที่หภิกษุณีกำนัดรับของเคี้ยวหรือของฉันจากมือชายผู้กำนัดด้วยมือของตนแล้วฉันต้องอาบัตสามอย่างคือหนึ่งรับประเคนไว้ด้วยตั้งใจว่าจะเคี้ยวจะฉันต้องอาบัตทุนละใจ 2. ฉัน ต้องอาบัดสังฆาทิเศษทุกๆคำกลืน 3. รับประเคนน้ำและไม้ชำระฟันต้องอาบัดทุกกฎ